วันนี้ก็วันที่ย์แปลแล้วเนาะที่เต่า <c oughs> จเจริญสติแบบมากันแต่ก็คงดูาการจเจริญสติมันก็อาจจะมาก็ไม่ได้มีอะไรมากหมยเนาะก็มีแต่ว่าการคืนการจเจริญสติก็มีประสบการณ์ก็จจะพูดเรื่องประสบการณ์เรื่องอารมณ์กรรมฐานบ้าง เผื่อมันเป็นประโยชน์ได้บ้างอย่าเอาคิดเอาถูกกับมันนะฟังเฉยๆฟังสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปการเจริญสถิจริงๆอาธมามีประสบการณ์อยู่บ้างก่อนจะนอกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะได้มาภาวนาแบบ น, นี้มาเจอสายหลวงพ่อเทียนเข้าใจแต่หลวงพ่อเทียนเหตุเกิดก็คือร่างกายไม่สบายด้วย แล้วก็ครอบกัแกแยกบ้างก็เลยกลับมาอยู่บ้านเมื่อม่อยู่บ้านพวกมันไม่สบายเมื่อไม่สบายก็คิดว่าเออมันไม่มีโอกาสถ้าจะไปทำอย่างอื่นเราก็คินมันคือครอบครัวม่ผิดหวังด้วยเนาะมันก็จะคิดเล่าจินไม่เป็นดูปุรี่ก็ไม่ได้ดูเราก็เลยหาทางออกก็คือมีทางเดียวที่จะพ้นออกจากวัฏจักรตรงนี้คือความชิดก็เลยไฝปคว า, ควาหวนหาการทางการรู้สติ หรือการภาวนาเมื่อไปพุโทโธมันก็ทำได้นะตอนที่อาจารยมาไปทำพุโทโธนั่งมันกําหนดอันนี้ไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ความไม่ได้ว่าพุโทโธไม่ดีนะแต่เราเข้าใจผิดเองว่าการเจริญสติการภาวนานแม้แต่คิดตอนที่เราเข้าใจแล้วทีหลังไงนะตอนนั้นไปนั่งปุนี่ยอยา ก, กนั่งสบายๆผ่อนคลายแตนนี้ไม่อ่านละ การเจริสติปุ๊บเราเคยคิดว่าการเจริญสติต้องตั้งกายตรงต้องตังต้ ง, ตงใจใส่ใ จ, ใจเราคิดแรกเราคิดอย่างนั้นพอเราคิดปุ๊บเราทำพอเรานั่งนทำปุ๊บเนี่ยเราจะกําหนดลมหายใจเมื่อลมหายใจเขา้าดูดดูลมหายใจกําหนดไปเมือม่อจิตมันเป็สมาธิปุ๊บมันก็ไปอยู่ที่หนาา้าผากบ้างเลี่อนคือตั้งใจดูลมหายใจพุกเนี่ยแต่มันก็ได้นะเวลามันไปปุกเนี่ยมันมองปุกนี่ เวลาที่เราทําตอนนั้นมันก็ได้งับระงับหนึ่งระดับหนึ่งก็คือตอนที่เรานั่งแต่เราไม่ได้ไม่ได้มีความชิดเพราะเราจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจปุบเนี่ยพุธโพพุโธโถอย่างเงี้ยเพราะเราเข้าใจผิดะนะเนอะไม่ใช่ว่าทักษิการไม่ดีแต่ตัวเราเองที่เข้าใจว่าเข้าใจแบบความมั่นใจของตัวเองของเข้าใจของเ อ, ง เ, องเองนั่นแหละทําให้เราเข้าไปสู่จุดนั้น เราก็นั่งเรากาหนดไปกําหนดไปมันก็พอนลมไปพุ๊บเนี่ยพอนั่งนานๆเข้านานๆเข้าพุ๊บเนี่ยมันก็มีสามารถที่จะมองคนนู่นได้เห็นคนนี้ได้หัวซตัวนอนโอเคเลยอะไรก็ได้คนคิดปุ๊บเนี่ยแต่เวลาทำแล้วปุ๊บเวลาปัญหามาเกิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นมาเวลาที่เราไม่นั่งทำวใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยไม่ได้มีแต่คิดมีแต่คิดคิดนู่นคิดนี่นี่นู่นอธิบาชที่ว่ามันโอ้คงไม่ถูก ก็คิดว่ามันยังทุกอยู่พอมันทุกอยู่ปุ๊บอาจาราก็ไปฟังเทศแช่นนิดเดียวเองยมจุดกำเนิดมีใส่สมคติเียนไปนั่งไปเทศแค่านาทีท่านพูดอันนีมันต่ำใจจึงกเลยต่ำใจนะไม่ใช่ตามสมองนะมันต่ำใจเราตึ้งเลยนะ่ยออสรุปเลยเออพูดดีพระองค์นี้ออืท่านพูดดีท่านปฏิบัติแบบไหนก็เลยไปถาม ท่านก็เลยบอกว่าอืท่านาาก็าเล่ากลว่กเราอ่ะนะว่ามผมอ่ะปฏิบัติใส่หลวงพ่อเทียนยกผมวงพอนะนะ่อเนี่ยแก่ๆตอนที่ท่านปฏิบัติท่านบอกมาอยู่กับส่หลวงพ่อเทียนตอนนั้นท่านยังสิบสี่จังหวัไม่เป็นแต่ท่านแต่รู้แต่รู้แบบว่าสิบสี่จังหวัดแต่ท่านไม่ยกมือเพราะท่านติดอายเพราะว่าท่านไปส่งอมามาก ท่านเข้าไปหลายสายท่านก็ไม่แต่ท่านรู้ไปกําหนดรู้แค่แต่อย่างมากแค่เขพลิกมือขึอน้นพลิกมือลงเวลาท่านจะสอนเราท่านก็ไม่ได้ยกมือให้สิกิตจังหวัดนะท่านบอกว่าลวงพ่อเทียนสอนแบบนี้นะ่ะกายขึ้นไหวใจรู้สึกกายสมัมปัญญใจรู้พอคิดตรงนี้ปุ๊บพออาตมายินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความเข้าใจของอาตมาเนะี่ยมันเขาบะกลายทำใจรู้ กายสัมผ like ัสใจรู้อรหันต์เข้าใจว่าทําแล้วมือกระทบปุ๊บรู้สึกพลิกมือขึ้นให้รู้สึกไปฟังเทปหลวงพ่เถียพลิกมือขึ้นให้รู้สึกคว้ามือลงให้รู้สึกแต่เข้าใจว่าเราออกกายเป็นผู้ทําเป็นสื่อให้จิตมันมารับรู้กายสัมผัสปุ๊บมันก็จะบอกความรู้สึกตรงๆซื่อๆเราก็รับรู้พลิกขึ้นก็รู้สึกว่ามันพลิกแล้วรู้สึกขณะที่มันพลิกมันรู้สึกยังไงคว้ามือลงรู้สึก แค่นี้อยู่อันเนี้ยพลิกมือขึ้นรู้สึกคว่ำมือลงรู้สึกอาตมาเข้าใจแบบนี้พออาตมาเข้าใจอยู่ยนี่ปุ๊บเนี่ยพลิกรู้ความรู้หงายรู้แต่มันไม่ได้ผ่านสมองเลยนะมันผ่านความเข้าใจที่ว่าใจที่มันรู้สึกที่เกิดขึ้นกระทุกสัมผัสมีสภาวะรู้รู้มือที่ทํารู้ที่มือที่เคลื่อนมือรู้ที่ไหวทําแล้วรู้แต่พวกเราเข้าใจ ออกมคิดว่าส่วนมากเราเข้าใจได้ว่าใจสั่งกายที่เคลื่อนไหววิธีการหลวงพเทียนคือธรรมชาติพวกเราก็ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมธรรมชาติคนคนคิดว่าใจต้องสั่งกายที่เคลื่อนไหวถ้าใจไม่สั่งกายเคลื่อนไหวได้ยังไงใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาติหลวงพเทียนเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพเทียนเ่าบอกว่า วิธีการเจริญสติตรงข้อเทียนเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าใจมาสั่งกายที่เคลื่อนไหวใช่ไหมแต่พวกเรามาเข้าใจว่าใจสั่งเคลื่อนถ้าใจไม่สั่งเคลื่อนกายไม่เคลื่อนไปได้ยังไงแต่เราเข้าใจคํานี้อธมผิดนะเพราะอธมาเข้าใจตรงนี้อันนี้คือความคิดของอาจารย์นะฟังอย่าไปเอาผิดเอาถูกประมานเพราะว่าอธมภัยพลิกมือขึ้นรู้สึกความือรู้สึก หลวงพ่อเทียนว่าต้องกลับกลับมาเคยมันธรรมชาติใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ใจเป็นผู้นําตลอดเวลาเมื่อใจผู้นำปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผู้ตายคือเป้าหมายของการเจริญสติเองคือเราต้องการกายกับใจอยู่ร่วมกันถ้ากายกับใจอยู่ร่วมกันได้เมื่อไหร่เนี่ยโดยที่ไม่บังคับกันโดยที่ไม่เบียดเบียนกันโดยที่ไม่แทร้แส้กัน แต่รู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงกลางปรากฏขึ้นอยู่แต่มันยากตรงที่ว่ า, ยว อ, ยาอย่ายากยางไงเพราะว่าสายมันงพ่เทียนเนี่ยหลวงพ่เทียนบอกเนี่ยอาจรมาเข้าใจว่าจิตมันเร็วกายมันช้ามันไปด้วยกันแล้วจิตมันไม่มีตัวตนสามารถที่จะจับเหมือนขวดน้ำํำมันเป็นรูปจับมาตั้งไว้กับกายได้ไหมไม่ได้จับด้วยมือไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้ได้ มันเล็วเกินไปธรรมะเข้าใจเลยเนี้ยหลวงพ่อเชนเช่นนี้ท่านบอกว่าให้กายเป็นผู้นําใจเป็นผู้ตามพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บธรรมาก็ยกมือสร้างจังหะไปิไม่ยังสร้างจังหวะเลยพลิกมือขึ้นรู้สึกรู้สึกรู้สึกจากความชิดความพุ่งสร้างความอึดอัดขัดเครื่องใจกลับมันโปร่งโล่งเบาสบายแค่รู้ตามกายเฉยเมื่อวันเราเคยวิ่งตามใจใจสั่งมันก็บอกบอก เวลามันกระทบมาเนี่ยเวลาใจโกรธขึ้นปุ๊บเนี่ยมันไม่ทันมันไม่บอกว่าสติไม่ต้องหยุดสิหยุดสิไม่ใช่มันไม่หยุดไม่ได้พอเราทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราพลิกมือขึ้นรู้สึกตามดูรู้สึกรู้สึกมันก็เลยเกิดเห็นความคิดความคิดตรงนี้เราเกิดขึ้นมันก็เบากายเบาใจเมื่อเบากายเบาใจมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายอาตมาจําได้เลยว่าวันนั้นน่ะวันที่ห้ามกราปีสี่หก อาทมาไปฟังแนวทางของพ่อเทียนครั้งแรกในชีวิตอาทำมาเข้าใจว่ากายสัมผัสใจรู้สึกกายเป็นผู้สัมผัสก่อนใจแล้วรู้ตามในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั่นคือความรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้เกตแตนาไม่โดยไม่ไม่มีความรู้สึกเข้าไปแทรกแท้ไม่มีความใจเข้าไปแทรกเลยสภาวะที่มันเกิดขึ้นกัรทบนี่อย่างเราแตะพื้นมันเย็นปุกตอความเย็น โดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยที่บอกไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นที่จากรกายที่สัมผัสมันพอสัมผัสมือปุ๊บเข้าสู่ใจปุ๊บนี่งมาเย็นรักลุ้รักลุ้แบบนี้แลรู้สึกรู้สึกรู้สึกแค่เนี้ยแค่แต่มาพลิกมือซ้ายบ้างขวาบ้างเสียบ้านบ้างขวาบ้างกับความโปรเบาสบายจากเคยได้กินยากับไม่ได้กินยาเอ้มันดีแล้วเห็นไหมความต่างของ จากก่อนหน้าที่เรามาแค่พลิกมือพลิกซ้ายบ้างขวาบ้างพลิกซ้ายบ้างขวาบ้างก็ทําดูอย่างเงี้ยทําไปทามาทำไปทํามามันก็โล่งโปรงเบาสบายใจมันทํำไมโปรงใจหัวใจมันพันโล่งปร่งแล้วเบสบายเอาแหละตอนเนี้เป็นอย่างนั้นปุ๊บสิบห้าวันยูก็เลยเข้าหาสายงานหลงพ่เถียนแต่ไปสึกติจังหวะไม่เป็นหรอกเพราะว่าท่มาเป็นคนที่เร็ว พอพไปถึงปุ๊บเขาบอกให้สิบสีจังหวัดอาตมาก็ไปยกมือสร้างจังหวัดเขาเข้าใจเสร็จปุ๊บอาตมาก็แบบธรรมชาติของอาตมาเป็นคนที่เร็วแล้วอาตมาจะมาทำยึบยึบกับโยกเนี่ไม่ได้มันอัดมันแน่นพออาตมาทาปุ๊บยกมือปเนี่ยอาตมาก็ปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อาศัยมือเคลื่อนปุ๊บกระทบปับ๊บอรรมารู้สึกที่การกระทบตกพลาปุ๊บมันเจ็บห้านิว้วสุดครับเออแรงอย่างเงี้ยการกระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยสิบสี่จังหวะดสิบสี่จังหวัดสิบสี่กระทบเนี่ยความรู้สึกจะปรากฏขึ้นขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นจะไม่เหมือนกันเลยตามดูตามดูตามดูเรื่อยๆการแครอาศัยเหตุของกายเพื่อกระตุ้นให้จิตตื่นผู้รู้ตอนนี้จิตผู้รู้มันไม่ได้อยู่ มันมีอยู่แต่มันอยู่กับเรานี่แหละแต่มันกระทบปับ๊บกระทบปับ๊บกระทบปับ๊บกับมันก็เบากายเบาใจอดิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งนาก็ยิ่งสนุกมันสุจ้งว่าพอมีครูบาอาจารย์ไปเห็นโยมเนาะเป็นโยมแบบเนี้ยอายุสามสิบสามปีตอนนั้นก็เข้าไปรประพบนี้โยมเพราะหนังผ้าแเนี้ยพอเสร็จทุกคท่างก็ไปบอกว่าไม่ถูกนะไม่ได้แต่น้องโมเทียนต้องทําำนิ่มๆ ย, ยกมือละซ้จังหวะแบบนี้สสบายสว ย, สย พอทาปุ๊บหัวตึงขึ้นตึง ข, ขึ้นหลังตึงหัวมึนอะเอ้ทำไมเราต้องเข้าใจว่าวิธีนั้นมันก็ถูกนะถูกของท่านไงไม่ได้ถูกของเราไงเราก็เห็นว่าอึดอัดก็อึด อ, อัดปุ๊บเราก็มันใ จ, ใ จ, ใจมันไม่ไหวอ่ะพอไม่ไหเราก็ผ่อนคลายของเราอพอเราทาสบายๆกับความโปร่งเบานั้นเริ่มเข้ามาใหม่ทาจีรอดจีรอดมันก็เป็นแบบนั้น พอมันอึดอัดเราก็วางเฮ้ยเอาใหม่บางทีนั่งเล่นพริกมือสบายสบายพอรู้สึกยกใหม่เรายกแร้แรงมันก็โปร่งเบาสบายอ่าก็ทําอย่างนี้ตลอดแล้วไปเจอครูบาครูบาอาจารย์ก็บอกเป็นเออต้องทำแบบนี้แบบนี้เกืวัน่ะโดยสภาวะธกิจมันเห็นมันก็มีแต่รู้สึกรู้สึกมันจะความโปร่งเบาสบายตั้งแต่เป็นโยมพอเป็นโยมว่ามันก็เบากายเบาใจเมื่อการเบากายเบาใจเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ทํามันก็ขยันถ้ามันอึดอัดเกรนตอนที่ที่เราไปตามครูบาอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ผิดนะคือเราไปกําหนดผิดไงเราไปใส่ใจกับการเคลื่อนเพราะว่ามันไม่ไม่ถูกจริตเราอะเพราะความสัญชาติใจของตัวเราเนี่ยมันเป็นคนเร็วจะมาช้าเนี่ยกว่ามันจะฝึกให้ช้าได้เนี่ยกว่ามันจะนิ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันพอเราอยากเราต้อายากมากกว่าราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกเอ้าสบาย เราทําของเราแบบคือแบบเราเป็นโยมเราก็คือยังไงก็ทําได้ไงรูปแบบมันไม่กดถ้าเป็นพระนิโอมันจะกดความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็าอาตมาเป็นโยมอาตมาเข้าไปใหม่อาตมาไม่รู้เรื่องอาตมาก็ทําอาตมารู้ยังไงอาตมาเข้าใจของอาตามายัางไงก็ราก็มาทําแต่ทําแล้วมันมีความปร่งเาสบายมันอึ้ไม่อึ้อัดมันก็ขยันทำเดิดทั้งวันอ้าวไม่ไดเดินยองกงตอนนี้ตอนนั้นอยู่ไหนนะเรา น, นิดนึง เวลามันจะพอห่ามิโลมันจะให้เวลาเท่าไหไร่กับมิโลนี่เพราะว่าอันนั้นต้นเส็จพอการมันไปเดินโยงกลมอธมาก็เดินตามสเต็ปของอตมาอันนั้นไว้คนเร็วอธมาดินปุ๊บปุ๊บปุ๊อ่ะแต่อธมาเป็นการเคลื่อนของกายอาศัยการเคลื่อนของวัยเป็นเหตุผลของมันคือไปรับรู้ความรู้สึกเอาใจไปรับรู้ความรู้สึกที่จากการกระทบของกายฝ่าเท้าสัมผัส พ, พฤฤฤื้นที่หินปุ๊บโอเก็คอ้าวนุ่มบ้างแข็งบ้าง จิตของเราไปเห็นตัวนั้นอยู่ใจของเรามันกำรู้สึกรู้สึกรู้สึกโดยที่มันไม่มีอะไรครอบาำในใจของเราก็โปร่งเบาสบายพอไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บพระก็ไปบอกอีกละโยมไม่ใช่นะเดินอย่างนี้ ช, าชา้าๆอย่างนี้เป็นจังหวะอย่างนี้อย่างนี้ค่อยเป็นค่อยไปอย่า ง, งานั้นสติมันหูไปหมดตั้งใจดูให้ชัดๆเราก็ไปทำอีกละพอทำปุ๊บนี่ขาตึงหลัง ขาเนี่เริ่มเริ่มตึงขึ้นตึงขึ้นหัวแต่ทําได้ยงทาไปทําไปขาตึงตึงแล้วมันเราไม่สนใจแล้วก็มัดวัวต้นคอเราก็ไม่สนใจหัวเริมึนเราก็ต้องสนใจเราต้องสนใจพอไม่สนใจเราก็อยู่กับความอยู่กับการช้าๆของเราน่ะเมื่ออยู่ท้าๆปุ๊บอะไรเกิดขึ้นทำไมหัวมึนๆเบื่อๆพอมันหลุดตรงนั้นปุ๊บมันชิด เรื่องจากที่เราไม่คกิดมันปุ๊บปุ๊บเพราะอะไรอ้อเรามาเข้าใจทีหลังว่าสิ่งที่จิตมันจดจ้องเนี้ยจิตมันออกไปไหนไม่ได้คือธรรมชาติของจิตเนียเราจะบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันถ้ามันไม่ไปได้ด้านหนึ่งถ้าไปบังคับมากเกินไปมันก็จะทําให้ครั้งแรกมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นเมทนาที่บีบกันว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันจะมาอยู่อย่างนี้ฉันทนไม่ได้ ฉันแสดงอาการของกายเพื่ออืดอัดถัดเคลื่อนตรงนั้นให้เธอจิตของเธอไปจากเปลี่ยนจากกำหนดเพื่อเคลื่อนไหวตรงนั้นอยู่กับการเคลื่อนตรงนั้นมาอยู่กับอารมณ์ที่เก็บเวทนานั้นตัวเวทนานั้นจะดึงกายตรงนั้นดึงจิตเข้ามาอยู่เมื่อเวทนามากปุ๊บตอนนั้นมันก็จะไปอยู่กับเวทนาการเพ่งจ้องการจดจ้องเข้าไปตรงนั้นมันก็แบ่งปันหห้าเมื่อไปอยู่กับตรงนั้นปุ๊บ ควาตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่กับการห้าสิบมันก็เดินไปได้มันก็เบาบางแต่พอขณะหนึ่งปุ๊บหลุดความคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นขณะมันไปอยู่แบบนั้นเวทนาเบาเวทนาก็มีไปรู้สึกถึงเวทนาบ้างดูกายบ้างเองก็พยายามอยู่กับกายอยู่กับการเคลื่อนไหวพอเวทนาตรงนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมากเข้ามาเข้ามันไม่ทันมันไม่สามารถ <t> ที่จะแบ่ง <sk r inated> ความจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับการรู้สึกตัวได้มันก็เป็นอาการที่รู้สึกึิ ไม่ใช่รู้สึกที่ทานนะรู้สึกที่เวทนาที่มันตึงมันนั่นนหะมันไม่สามารถที่จะจิตไปเกาะได้มากเพราะเราไปอยู่กับการเคลื่อนไหวดึงมันมาอยู่กับการเคลื่อนไหวพอดึงกันเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยหัวมันทื่อพอทื่อปุ๊บมันมันซึมซึมจะตื่นก็ไม่ตื่นจะนอนกจะง่วงก็ไม่ง่วงเป็นซึมซึมเดินกับทื่อๆอย่างนั้นแหละแต่ก็เดินพอเดินไปปุ๊บเนี่ยพอหลงปุ๊บเนี่ยพอมันทื่อๆหายไปเราก็ไม่สนใจมันอีก มันก็หาความคิดมาแห่เราคิดแต่ตอนนี้พอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็คิดแรกๆมันก็คิดดีคิดเดองนั้นดังนี้นี้พอคิดดีไปคิดดีไปพวกเนี่ยจิตของเขาเปลี่ยนจากการรู้สึกกําหนดกายไปรับรู้ความไปเข้าไปเดินดูจิตจิตที่มันความคิดนั้นเกิดขึ้นมันคิดดีก็คิดตามคิดตามคิดตามคิดตามเอาละตอนนี้พอคิดตามเสร็จพวกมันเป็นอะไรในช่วงนั้นพอคิดตามไปเนี่ยคิดคิดคิดคิดตามไป มันคิดดีไปคิดดีไปคิดดีไปพวกเดินกายเบาหน่อเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ที่การบังคับของกายการเคลื่อนไหวมันไปมีความคิดที่ดึงมันออกจากเพราะจิตมันไปเกาะตัวกําหนดนี่มันหายไปมันไปมันไปเกาะที่ตัวรู้ความคิดนั้นบุงแต่งเกิดขึ้นนั้นนเมื่อคิดดีก็คิดไ้เราก็คิดได้ทั้งวันเอาเดินได้ทั้งวันละตอนเนี้ยแต่แต่พอมันคิดพวกก็เดินไปแบบสบายสบายเป็นห้าสิบหาสิบางทีความคิดมากมันก็ไม่ได้กำหนด เมื่อเราหมดเวลาปุ so, ๊บเนี่ยเรารู้ว่าทำเยอะอย่างนื box, no ่นเราก็มาจะเดินใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆเอ๊ะมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่ปุ๊บอ่ะละพอหลังจากนั้นเราเห็นอาการเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แล้วเป็นอย่างนี้แต่เวลาเรายังไม่เราไม่ได้เดินแบบนี้ครูบาอาจารย์ไม่แบบนี้ทําไมเราเดินแต่รู้แต่รู้แต่รู้ทํามันโปร่มันไม่สบายอ่ะแต่เวลาเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอาตมารู้สึกว่าตึงตึงคิดเครีอย่างนั้น อัตมาจะไม่เอาละจะเดินดีอัตมาก็มันมันโง่หรือมันฉลาดก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเดินที่เรียบเรียบมันจะได้สมาธิตั้งมัน่นที่เรียบเรียบดีๆแต่พอออกพออัตมาตรงนี้อัตมาไม่เป็นแบบนั้นอัตมาไปเห็นปุ๊บที่มันหยับหยาบบ้างแข็งบ้างนุ่มบ้างแข็งบ้างบางครั้งมีตอไม้บ้างมีหนอกมีรากไม้บ้างพอเดินไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอัดมันไม่ไหวลูกออกมา มาเดินเดินตามที่อาตมามีหินบ้างดินบ้างแล้วก็หญ้าบ้างพอไปยาหญ้าพุ่งแผลเราไปอาศัยฝ่าเท้าที่ประเยียบหินปุ๊บมันสรุ่งตัวเกิดขึ้นมามันก็เริ่มกลับมาอยู่ ก, กับตัวปัจจุบันขณะคือความรู้สึกเรารับรู้ปับป๊บรู้ร้ปั๊บอันที่มันอึดอัดขัดเกลือมันก็ลุ่งปร่งเบาสบายพออย่างนั้นพวกมันก็หยดเริ่มตื่น ใจมันเริ่มตื่นมันไม่เข้าไปในความคิดมีอะไรเกิดมันมันก็เห็นแค่ปั๊บปัั บ, บความคิดก็น้อยลงความโปร่งเบามันก็มีพอมีอย่างนี้พวกอ้าวละว่าจะอยู่แค่เจ็ดวันไม่ละก็ะวิ่งตามสายงานเพราะเรายังไม่รู้จักหลวงพ่อมาหานิเรศเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงพ่อมาเจอหลวงพ่อมาหานิเรศได้ฟังใจเห็นมาเออท่านดูแล่ะเห็นแล้วก็สนใจอยากจะมาก็อตอนนั้นมยังไม่ไปตัหลวงพ่อนะ หลวงพ่อขึ้นรถไปขอขึ้นเลยไปขอขึ้นรถไปกับท่านท่านก็พาไปก็ตามไปได้สองงานทํามงานสองงานนี้แหละทําไปทําไปก็ตอนนั้นมีมีหลวงตาคนหนึ่งมีตาโ ย, โยมเนี่ยบังเอิญวันนั้นนะ่ะที่ไปอยู่ที่เขาคงคาที่คอร์ดแรกอ่ะพอดีโยมคนนั้นอยู่กับหลวงพ่อมหาทตกสักกัหลวงพ่อมหาด้วยครับโยมเห็นว่าจะมาตั้งใจแกก็พยายาม แช่ยยว่าจะจะมาอยู่จังโยมคนนั้นคือจังอยู่จังหวัดตาาคือโยมบุญอยู่แหลม ง, งอบนะอยู่ใกล้ใก้แหลม ง, งอบอยู่ใกล้กการสักดาเนี่ยนะเพราะว่าท่านก็มาก็นั่งนั่งรถก็ไปนั่ ง, งไปงจเจอกันพอดีลงโคราชไปที่อำเภอนั้นก็ได้นั่งรถ ด, ด้วยกันไปเวลาไปนอนก็ไปนอนด้วยกันก็เลยได้ซึมได้เป็นเพื่อนมีเพื่อนกันอย่างมิตรพาก็เลยตามหลวงพ่อมา ท่านก็เอามาปล่อยให้ธรรมากว่าจจะมาอยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่กับธรรมมาจนเดือนหนึ่งอยู่ไปด้วยกันเือนหนึ่งก็เดินทำทำอย่างนั้นพุ๊บเนี่ยว่าตอนหลังจากนั้นอมาไปเจอหลวงพ่อเสร็จไปกับหลวงพ่อพอไปหลวงพ่อเสร็จพวกนี้หลบตามหลวงพ่อมาถึงแพร่นะมาถึงค่อยประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงเดือนจากมกราเตอร์มีนาโยมจากมกราถึงเดือนมีนาเนี่ย ตอนมีนาสิหนึ่งหนึ่งยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบหกนี่แหละตอนมีนาตอน น, นั้นนั้นพอเข้ามาปุ๊บหลวงพ่อก็พาปฏิบัติเห็นปฏิบัติดีก็ป่านนี้ก็ไปด้วยไปด้วยไปด้ว ย, วยอธมาเดินทั้งวันไงตื่นขึ้นมานี่ตอนที่มันได้เนี่มันเข้าใจปุ๊บเนี่มันไม่อยากเสียเวลาเปล่าเลยโยมการเคลื่อนการไหวการไปการมามันเอาตลอดมันไม่ได้ปล่อยเคลื่อนทิ้งเลยการสัมผัสทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง เนาะนั้นมันสัมผัสอะไรเรารู้แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเราจับปุ๊บโอ้มันรากรู้สึกนี่มันมีความรู้สึกอยู่แล้วเราแค่รู้ตามรู้ตามแต่ที่มันไม่ชัดก็พอเรากลัวอยากให้มันอยากทำตะล่อมมันให้มาอยู่กับการเคลื่อนการไหวเมืๆๆๆๆๆๆ่อการเคลื่อนการไหวเราทําอะไรมันก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็โปร่งเบาสบายอิสระกลายอิสระใจอิสระแค่รู้ตามธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นตามดูตามดู พอทำตัวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทําไปเรื่อยๆท้วยมันมีความมีสภาวะหนึ่งเป็นสบา ย, บายๆโล่งอยู่อย่างเงี้ยเราสัมผัสอย่างนี้ตลอดพอสัมผัสอย่างนี้ตลอดเสร็จสัมผัสคือเป็นสภาวะจิตนะไม่ใช่คิดนึกนะพอไปหลวงพ่อก็คงวันนั้นขึ้นมาแพ้หลวงพ่อให้เก็บอารมณ์ก่อนให้เจ็บอารมณ์เ็ดวันแล้วก็จะมารับครั้งแรกที่อรรมาม า, มาที่นี่ตอนนั้นหลวงพ่อ จะมารับผ้าป่าที่ทําออุโบสถบัดนปากปานที่ท่านจะมาบำรุงอ่าตอนนั้นพอดีแต่ก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยอาตมามาก่อนนั้นนั้นมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็อเตรียมตัวจะมารับพ้าป่าตรงที่บ้านปากปานที่ทําอุโบสถตอนนั้นมาก็เป็นโยมมาหลวงพ่อให้อาตมาไปตอนนั้นให้เก็บอารมณ์พอเก็บอารมณ์ก่อนหน้านั้นก็จะปฏิบัติเข้ม สิบห้าวันก็ประมาณสิวันเพรนะี้ยก็มาเดินจงกรมอาตมาก็ตอนกว่านหน้านั้นเนี้อาตมาก็ไปเดินจงกรมพอเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยเดินกลับไปกลับมาไปอยู่กับไปอยู่กับหินที่ทิ้นเกศตรงที่ลานธรรมอาตมาก็ไปเดินนะเอากายเนี้สัมผัสปุ๊บปุ๊บปุบ๊มันหินเหมือนกันนะแต่การสัมผัสความรู้สึกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ละขณะไม่เหมือนกันเลย เราก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกต่ำเดินช้าบ้างเด็วบ้างถอยหน้าถอยหลังบ้างการไปหน้าปุ๊บส้นเท้าถูกบ้างแตะบ้างถอยหลังไปเท้าสัมผัสพื้นบ้างรับรู้ความรู้สึกที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่เราเดินเร็วเดินช้ามีอยู่ขันวันหึงขณะหนึ่งตอนวันที่จะเก็บอารมด้วยพอไม่รู้ว่าจะเก็บด้วยเดินไปปุ๊บหยุดปับ๊บเอ๊ะอะไรไกลเห็นรู้สึกว่ามันมีเหมือนอะไรผักออกไปปุ๊บเราก็หยุดปุ๊บเอ๊ะกายเราอะไรมันออก เราคือคือเป็นคนที่จะดิดเร็วนะเดินเดินเดินไปปุ๊บหยุดตั๊บหยุดปั๊บปุ๊บนี่คือใจมันสั่งปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บหยุปั๊บอี๊แปลกแปลมันเป็นสภาวะที่แปลกแปลเอ๊เราก็ไม่รู้แต่มันก็สนุกนะมันโล่งมันโปร่งมันเบากายเบาใจพอหลวงพ่อเทียนให้เจ็บอมหลวงพ่อมหาให้เจ็บลามวันแรกอาจมาก็ทําได้สบายสบายโล่งโปร่งเบาสบายเบาสบายรู้สึกว่ามันเบามันเบากายเบาใจทําวันแรกวันที่สอง พราตกวันที่สองเนี่ยเราคิดว่ามันต้องดีกว่านี้หายใจกําหนดรู้เอาลมเอาลมกับการเคลื่อนไหวเนี่ยฉลาดอวดฉลาดไงตัวเองมว่าตัวเองเก่งไงโง่ที่แรกที่แท้ก็คือคือความโง่ของตัวเองอ้าวก็จะไปเอาลมหายใจกับการเคลื่อนไหวหายใจข้างหนึ่งปุ๊บแป๊ะหนึ่งแป๊ะหนึ่งแป๊ะหนึ่งการพ่อยำจะให้มันเป็นหนึ่งเดียวไงพ่อยำให้กายกับใจไปด้วยกันไง เป็นการบังคับใจตัวเองอย่างมากเลยผิดพลาดอย่างมากพอทําปุ๊บปุ๊บแน่นหนะ้า อ, อกหัวจะแตกตายไม่ได้ว่ะไม่ใช่องสลัดเทงเอาใหม่เออนี่คือความความเข้าใจของเราคือความโง่ของเราเราไปทําพอเราทําปุ๊บอ่ารองที่แรกนั่งยกมือก่อนปุ๊บปุ๊บได้จังหวะมันข้อหัวทื่อๆ อ, อยู่นีออ่มันอาจจะลองใหม่ดูสิไปเดินเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นเดินก็ไปรู้อย่างนั้นป๊อปป๊อปเอ ง, ง แล้วตัวนี้ความคิดเกิดขึ้นอยู่ไอ้ตัวนี้แบบนี้ความคิดเรื่องเกา่าๆบ้างอะไรบ้างไม่ใช่คิดไม่ใช่ปุ๊บอ้าวเราก็สารทิ้งเราเริ่มใหม่พอมาอยู่ของเรามันโลง่งมันโปรง่งมันเมาสบายอิสระเอออลไรเรารู้มีละตอนเนี้ยรู้ว่าที่อยู่ของเราคือความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนความพอดีของตัวเองมันมีแล้วทำอะไรมันเกิดขึ้นทุกครั้งทำอะไรมันเกิดขึ้นทุกครั้งมันไม่สูญหาย เล่นนะตอนนี้ท่านอยากปวดแฉลาแล้วตอนนี้ทําแบบนี้ไม่ได้ไมันได้ผลอะไรผลตอบแทนจากการที่เราไปทำนี้อาการของกายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรพอมันเจ็นปุ๊บโอ้ไม่ไหวแล้วแฉลบทิ้งกลับมาอยู่สภาวะที่เราที่เคยวางใจที่เป็น ก, นกลางกเนี่ยกลับสบายอาะไรเริ่มเริ่มปวดเองอย่างนี้แล้วนะเริ่มช่วงระยะสองสาวันที่เข้าเยียวอารมณ์เนี่ยเพราะว่ามีการอารมณ์มีลงพ่ออยู่อาจมาก็ อ่ะละตอนนี้ยไปอยู่ที่เดินแล้วตอนนี้มันจะมีตอนนั้นดังคาตรงที่กุฎอัจมาโย وم, มันเป็นข้อไก่แล้วเอาดินขึ้นแล้วก็จะมีเสืออ่าอะไรเสือน้ํามันอะ่ะเขาตัดเป็นแล้วมันตาบังอัดพอมันตามบังวัดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นนี้คือมันก็จะพอดีกับก้าวเราอ่ะซ้ายตรงนี้ขวาตรงนี้ซ้ายตรงนั้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปทำโยม ตัวนี้เราก็คิดว่ามันใช่เราก็ทําไปทําไปทําไปพอทําไปมันก็รู้สึกรู้สึกไปอยู่ด้วยแต่ว่าเราไปกําหนดที่การเดินไงแต่ว่ า, าไม่ได้กําหนดของความรู้สึกแต่เราไปเอาใจไปจดจ้องอยู่ที่การแตะหยุดจุดนั้นใจของเราเนี่ยข้าวซ้ายลงนั้นขวาลงนี้ใจลงนั้นถัวลงนี้ใชล่ลงนั้นลงนี้ให้มันลงที่เดิมตัวนี้มันไม่เป็นธรรมดาของตัวเองอีกลแล้วเราก็ไปกําหนดปุ๊บรู้ไหมเกิด อ, อะไรขึ้น ความคิดเกิดขึ้นเก่าๆมันผลขึ้นมันโมโหมันกอดมาจากเพจฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้เกิดปุ๊บไวเกิขึ้นมาเอวันนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเป็นท่องรู้สึกว่าเออมันจะอึดอับันทิตทาไมมันเป็นแบบใจมันสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยแต่มันตัวนี้เขาเรียกว่าความความผูกอาฆาตมันอยู่ในใจแต่ว่าการที่มาทํำมันไม่เกิดไงมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันรู้สึกตัวมมากเกินไปพอมันจิตตรงนี้เข้าไปเพ่งจ้องอยู่กับการเดิน แต่เราไม่ได้เพ่งการรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเรามเราไม่ได้เพ่งแต่เราเอาใจไปจดจ้องใจของเราตาของเราเนี่ยม right? cool. ันมันมันมันเห็นบอกว่ามันตรงนี้มันต้องลงตรงนี้ตามันต้องบุกดูเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าอย่างนั้นมันลงไม่ถูกมันก็เพ่งไงจดจ้องตัวเองอึดอัดเราคิดโอ้อะค่ะพอดีหลวงพ่อเดินไปมันมันหายแล้วนะตอนที่หลวงพ่อลงไปเนี่ยอัตมาหายแล้วนะ อาจมารู้ว่ามันไม่ไหวอาจมารู้สึกว่ามันผิดปกติเราจากกายของกายมันมันมันบอกบอกอนี้แล้วว่ามันผิดแหละแต่ว่าเราเราก็เลยทําการแบบ ส, สบายๆทายหลังจากนั้นนิดนึงหลวงพ่อมาว่าหลวงพ่อเดิ น, ดนๆูุ้๊บๆมาเป็นยังไงโยมว่าหลวงพ่อผมเป็นแบบนี้มันนี้มันมันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้หรือกก่าผมหลวงพ่อหลวงพ่อรีบปุ๊บมาเลยจากปกติท่านจะเดินผ่านนะ วันแรกท่านกเดินผ่านวันที่สองก็เดินผ่านวันที่สามนี่ท่านบอกว่ามีเป็นอย่างงี้อ่างนี้ปั๊บท่านก็เลยมาเข้ามาเลยเข้ามามานั่งคุยธรมาก็นั่งฟางท่านก็บอกว่าเรื่องอะไรที่พระท่านว่าเราติดอารมณ์แต่เราออกแล้วไงจิตใจอิสระแล้วอิสระเป็นความปลมอบมาสบายแล้วท่านก็มาพูดบอกว่าเออเป็นอย่างนี้นะทําไมเราเกิดมาเพราะไม่ท่านจะไปพูดเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อท่านจะปล่อยคือท่านจะกะ น้อมจิตให้เราไปพูดเรื่องสิ่งที่มันมีความขระแั้งอยู่บ้างคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นมาบ้างเพราะอะไรท่านจะเล่าเรื่องตรงนี้เพื่อจะให้ความรู้สึกของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปเกาะอารมณ์ตรงนั้นเพื่อมันจะได้คลายนี่คือเทคนิคขององค์พ่อน่ะถ้าเราเป็นอย่างนี้พวกนี้ท่านจะพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเพื่อจะเพื่อจะให้เราน้อมใจไปด้วยพอรู้สึกดูหน้าเราหายเดินอย่างเงี้ยถ้ามันรู้สึกว่าโอเครับท่านก็โอเคนะ อย่างนั้นท่านก็ไม่บอกว่าเพ่งจ้องนะพอพอหลังจากมันประมาณสักบ่ายสองโมงหลวงพไปอาตมาก็เดินมาแล้วตอนเย็นวันที่สามพอดีเสียงระฆังพอเสียงระฆังตีแล้วก็โยมอาภาบน้ําอะไรเสร็จพอตีระฆังจะเข้าทําวัดอาตมาก็ไปนั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่นั่งไปนั่งใมาอย่างเงี้ยยกมือรู้สึกรู้สึกรู้สึกพอรู้สึกปุ๊บเนี่ มันมีรูปของพ่อเทียนรูปที่นั่นรูปนั้นที่ไปอยู่สิงคโปร์นะ่ะที่ท่านใส่ชุดดำแล้วมันเป็นปฏิทินปฏิทินอยู่เมียหนึ่งแฟนอยู่อยู่ตาน่าพออยู่ตาน่าเสร็จปุ๊บเนี่อาตมาก็มองดูมันมีความเสียงระกคังหกโมงครึ่งบัดดีประมาณนั้นหกโมงนั่งรถมุสซ่างอย่างว่ามันรถหบหลองสบายนะมันมีอะไรไม่รู้เห็นหลวงพ่อเทียนมันบอกว่าเฮ้ยกลัวผี กลัวหลงก้อเทียนพอมันมีความรู้สึกว่ากลัวหลงก้อเทียนปุ๊บมันพอหลงก้อเทียนปุ๊บว่าตายท่านเสียแล้วก็านตายแล้วมันกลัวเห็นใจมันกลัวจุ๊บๆอ้าวมันมีตัวหนึ่งมันบอกว่ามันจะมันจะมีเหตุอะไนะมนะัวบอกว่ากลัทําไมท่านไปดีแล้วท่านทำไมไม่ใช่เป็นผีพออย่างนั้นปุ๊บเสียงหูฟังก็ทจะมาดังปึ้งเลยพอดังปุ๊บ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปากฏขึ้นว่าขึ้นมาเลยพอปรากฏขึ้นมานั้นปุ๊บพอว่าขึ้นมาปุ๊บนี่ยโอ้มันจะอันนี้เป็นเป็นส่วนบุคคลนะอย่าคิดเอานะมันจะมีภาวะที่จิตมันสงบนิ่งพอหยิบมันกายมันเบากายเบาใจมันสงบนิ่งปุ๊บมันจะมีเสียงดังเข้าหูพอดังเข้าหูปุ๊บมันจะดังปึ๊บึง ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ไล่เลว่าผู้รู้ยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไล่พออยนะ่างนั้นผู้ปากฏว่าเสียงนั้นมันจะพูดให้เราฟังทั้งวันทั้งดังมันมันจะไล่เลยว่ารู้ตื่นเบิกบานยังไงเขาบอกว่าผู้รู้รู้อะไรกําลังนั่งอยู่อยู่ไหมมันบอกว่านั่งอยู่ดูว่ากายนั่งอยู่เห็นไหมกําลังนั่งยัยงไงเจ็บปวดมีไหมนี่คือผู้รู้ ไม่ใช่ไปรู้พระพุติพระธรรมประสงค์นะรู้กายรู้ใจตัวเองนี้กําลังเห็นกําลังเป็นกำลังมีอยู่นี้ให้ดู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ความรู้สึกตัวนี้มันเกิดมามองดูกายเข้าใจใกายในกายเข้าใจเห็นตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานรู้อย่างไง ร, รู้อย่างนี้ตื่นอย่างไงตื่นจากความคิดที่ปรุงแต่งกําลังเป็นอยู่นี้กําลังวุ่นวายกับความชิดนี่คือตื่นตื่นจากการหลับไหลของชิต เราใครผู้รู้ใครเราคนนี้ผู้รู้คืออะไรรู้ตื่นเบิกบานใครสุดท้ายเบิกบานใครรู้ใจมันตื่นตัวใจมันเบิกบานรู้ใครรู้ตัวเรารู้อาการเหล่านี้มันรู้กายรู้ใจของเราแบบเนี้ยมันเห็นตื่นเบิกบานทั้งคนอื่นเห็นเราได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เห็นเราได้ไหมว่าเราใจเราตื่นเราบิกบานไม่ได้ แต่เราเห็นใจตัวเราเนี่ยถึงเห็นอย่างเนี้ยถึงจะรู้ว่าตื่นเบิกบ้างขณะนี้เราเศ้าหมองอยู่ไหมให้เป็นเนี้ยให้เห็นอย่างเนี้ยเขาบอกว่าอย่างนี้ปุ๊บตั้งแต่นั้นมาโยอันนี้เป็นภาวะอะไรรู้ไหมปาพอที่แรกเราก็บนอยู่ประมาณพอได้ปุ๊บหลวงพ่อให้สองวันสามวันเริ่มจะเข้าใจเดินเททั้งวันแล้วตอนนี้มีถามมีตอบมีถามมีตอบมีข้อเสนอมีข้อหนึ่ง มันจะขึ้นเรื่อยๆทั้งวันเลยพอทั้งวันปุ๊บเนี่ยเราก็เพลินอยู่กับความรู้สึกกับพอนี้ภาวะนี้นเขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันจะผดขึ้นผลขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นีนน้มันเข้าใจแต่ว่าความเข้าใจนั้นมันเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งแค่นั้นเองพอที่เรามันเป็นจิตที่มันไปสัมผัสเป็นสภาวะไม่ใช่นึกไม่ใช่คิดแต่มันเป็นความเข้าใจของสภาวะที่เกิดขึ้นคําพูดคาสอนของพระเจ้า เมื่อเป็นอย่างนั้นเสร็จโยมอาตมากลับลงมามาที่นี่พอมาที่นี่อาตมาเดินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาตมาผมยาวอยู่นะพอมันมีตัวนั้นปุ๊บเนี่ยพอมีตัวน้นอาตมาก็มามาตัดผมอยู่หล่อๆอย่างดีเอาเส้นหล่อเลยมาตัดบางบาทปานเนี่ครั้งแรกที่ครั้งสุดท้ายที่อาตมาตัดผมพอมาตัดพอพอกลับไปปุ๊บเนี่ยพอตัดผมเนี่ยอาตมาก็ไปกลับบ้านแล้วก็าลงพ่อเส็จ มาอยู่ที่นี่รับผ่าว่าเสร็จอาจอตมาก็กลับกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านาเสร็จก็ว่ามันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่บ้านแล้วอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปุ๊บ ก, ก็เลยมันยังไงมันก็รู้มันก็มันไม่เหมาะสมกับการจากการที่ว่าอาตมาไปขายของอะไรทุกวันกําไรก็วันละพันกว่าบาทสบายสบายเจ็ดร้อยบ้างแปดร้อยบ้างแต่กับตอนนั้นไปขายก๋วยเตียวขายได้เป็นพ่อค้ามาก่อน แต่กลับมันไม่มีความสุขได้มันก็ไม่มีอะไรก็เลยกลับมาอีกพอกลับมานี่แหละตั้งแต่นั้นมันก็เหลไหลเลยวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อเห็นอาตมาในในออกจากที่ไปนะไปช่วยอยู่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปเอาอาตมาไปกับโยมจำรงเลยเป็นคนขับรถไปถึงอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่รู้เป็นยังไงกับพูดกับโยมจำรงอ่ะนะเป็นแบบนี้แบบนี้ทั้งวันเลยตอนช่วงเนี้ยท่านบอกโดนมันลงว่ารู้สึกตัวไปได้ ทำไปเรื่อยๆอาตมาก็ทำทำทำพอทําเสร็จของพ่อไปปล่อยอาตมาทิ้งท่านก็คงเห็นว่าอาตมามีอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะท่านก็เห็นว่าเออมันมันพุ่นขึ้นมากผุดผุดพอผุดขึ้นมากปุ๊บเนี่ยภาวะนั้นนะนะใครพูดธรรมะอะไรฟังรู้เรื่องหมดคนนี้พูดด้วยสภาวะธรรมคนนี้ด้วยมีสภาวะรองรับคนนี้ไม่มีสภาวะรองรับคนนี้พูดด้วยจํามามันจะเห็นมันจะเข้าใจหมดเ เข้าใจสิ่งที่คนูคนนั้นพูดภาวะแบบนีน้คนนี้มันเห็นแต่พอมันเห็นปุ๊บน่รู้สึกนยมมันมองข้ามครูบาอาจารย์ไปเลยอันเนี้ยมันอันตรายน่าดูเลยพอมองข้ามพอมองข้ามพูกเนมันจะเห็นครูบาอาจารยไ์ไม่อยู่ในสายตากูละเก่งเพราะมันมันเก่งได้ไงเพราะมันจะสอนเราทุกวันไงเดินขึ้นนอนตื่นนอนมันก็มีเสียงเทศเตียงพูดเตียง ภาวะที่สอนสอนสอนให้เราฟังทำไมมันเป็นแบบนั้นสติตัวรู้เราไม่มีสมาธิมีแต่แค่สติเราเข้ามาฝึกสติเลยเมื่สติปุ๊ตัวรู้เนี่ยมันมากแต่สติที่ปันไปยัง้งอารมณ์ตรงนั้นไม่ ไ, มได้มันเลยเกิดปัญญาสายลงก็เทียนเราเนี่ยจะเินปัญญานะเพื่อจะเข้าใจตัวเองสังขาร แล้วมาสลาตัวตนของเรานี่เห็นตามความเป็นจริงนี่รู้เท่าทันรู้ตัวเองนี่นี่คือวิธีตลงพ่อเทียนเข้ามาจัดการตรงนี้ น, นะไม่ใช่ไปดีกว่าคนอื่นนะมาชับล้างตัวเองมาขูดเกาตัวเองมาให่ตัวเองแต่อันนี้ที่รู้ทีหลังนะเข้าใจแบบ น, น่านอารมตรง น, นี้ไปก็ใช้เวลาตรงนี้นานนะโยมได้ประมาณสักจากมีนาเนี่ยมีภาวะ แต่หลวงพ่อที่อาตมาตรงนั้นอาตมาก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์เพราะอะไรอยากไปกับบลวงพมันเศร้าซ้อยตอนที่มันได้อารมณ์มากๆเลยมันเศร้าซร้ยมากเลยพอเศร้าซร้อยพกมันจะร้องไห้มันมันอึดอาการเครื่องแต่พอไปท่านหนีไปแล้วก็ไปเดินจงกรมท่านไม่ให้ขึ้นรถด้วยเราก็เสียใจคิดเดินจงกรมเอาเดินเนหนุนสู้เพราะมันคิดนผมว่ามันอยากไปมันติดอารมณ์ไง เราไม่รู้หรอกว่าจะจิตลงแต่ความอยากตั้งใจของเราอยากไปเมื่อเราอยากไปใส่็ปุ๊บเนี่ยแต่หลวงพ่อไม่ให้ไปเพราะหลวงพ่อไม่ไปอามปอตมาก็มาเดินจงกลมเดินไปเดินมาท่านมันมีคำหนึ่งที่อาตมาคิดพุงเดินเป็นเกือบวันหนึ่งเลยนะวันที่สองมันถึงออกมันบอกว่าจับชายพระชีวร อ, อยู่ถ้าไม่รู้ตัวเองไม่ดูตัวเองถึงจะครูบาอาจารย์ขนาดไหนจะจก่งจะดีขนาดไหน แม้แต่พุทธเจ้าถ้าจับปลายคีวของพระเจ้าอยู่ถ้าเราไม่มาดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วเจเราไปศรัทธาครูบาอาจารย์ไปอยู่กับครูบาอาจารย์มันมันมันก็ยังไม่รู้ทำได้ถ้าอย่างางั้นปุ๊มันก็รู้สึกแต่ว่าเราต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ครูบาอาจารย์มันกลับมาตัวเรานี่พอพูดมันมีภาวะตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันวักเลยจาก นักตัวเปาวิวเลยตอนนี้อ่ามันบอกว่าไปไหนก็ช่างตัวใครตัวมันโตอะใครตโตน้องเนี่ยพูดไลท์แฟร์ๆน้ำไลท์แฟรเลยยน้องอันนี้ฟังแบบสบายนะอย่าไปเครียดนะแอบสบายๆพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลพ่อก็ อาจจะมาก็ไปเดินโยงกลมแล้วกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยมันกลับไปอีกรอบนึงนะพ่อหลวงพ่อทิ้งไงก็เออไม่รู้จะทํายังไงก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กลับมากลับมาก็มาหาหลวงพหลอดพออยู่หลองพ่หลอดปุ๊บนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไม่ไปกับหลวงพอ่อนล้ตอนนั้นหลวงพอ่อหลอดมีมีการไ ป, ไปเด็บเรามีตารางแล้วเราก็กลับมาไม่ได้สนใจหลวงพ่อเลยแต่คิดว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่ไม่เป็นหลวงพ่อแล้ว เราไม่ต้องต้องมันพ่อบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์มันอยู่ที่เรามันมันอยู่ที่เราไม่ต้องไปอยู่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ามาเดินมโกมกงค์ของเราไปแต่วันสุดท้ายนี่หลวงพ่อบอกว่าพันไปไหนจะไปไหนต่อผมบอกว่าผมจะไปตามสายงานครับผมมีใบแล้วผมยังไม่กลับบ้านเออจะไปต่อตรงนั้นหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะไปเหมือนกันรถหลวงพ่อว่างอขึ้ว่าหลวงพ่อนะอ่ะครับนั่นแหละ พอหลวงพออ่อเห็นปุ๊บอย่า ง, งานัไปจากหลวงพ่อนะอัตมาก็เออครับเพราะว่าได้ขึ้นหนุกหลวงพ่อแล้วใช่ไหมที่ไหนรู้ไหมขึ้นมาแพร่ท่านสง่งเอามาส่งมาแพร่เลมาปฏิบัติที่แพร่เลยเนี่ยนี่คือค อ, อุบายที่หลวงพ่อจะจับอัตมามาพอทั้งนั้นมามันก็อยู่กับหลวงพ่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็อยู่กับหลวงพอ่อพอบวดมาพุ๊บเนี่ยวันที่จะไปเข้าค่ายมันมีรู้สึกว่ามันอยากบวด แล้กนหัวเลยขอไปโกนหัวเสร็จก็มันก็ปวดแต่วันนั้นธรรมะก็ได้ลงไปแล้วนะลูกอันนี้มันแรงมากเลยไปเข้าค่ายเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์โอ้มันต่ําไปหมดแหละเจ๋งเจงเกินแต่ตอนนั้นมันพุ่งในในใ น, ในรู้สึกความรู้สึกมันก็คือจิตมันเห็นภาวะเยอะพอนอนอย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยจิตมันขนาดนั้นนะนอนฝันว่าพระแต่ละองค์แต่ละองค์มาเทศให้เราฟังเราแทบไม่ได้นอน นอนนี่นอนหลับไปปวกเนี่หลับนะแต่ในสมองมันเดี๋ยวองค์นน้นมาเทศมันนี่มันนี่แต่ตื่นขึ้นมาสึกจำไม่ได้สักกไม่จำไม่ได้สักนึกแต่ฟังทุกคืนมีความรู้สึกว่าฟังทุกคืนแต่เราไม่รู้เรื่องแต่ตอนฟังรู้เรื่องแต่ตอนตื่นมาไม่รู้เรื่องอาละเนีพอหลวงพ่อไปเห็นปุ๊บอ่าล่ะหลวงพอ่พอก็ท่านเห็นเราเป็นยังไงไปรูนะหลวงพ่อก็ช่วยอีก ไปหลงคนอดวนดอยคุณวินพ่ออาตมาไปพวกนี้ท่าขาวใช่ไหมหลวงพ่อก็มีแนวคิดให้ปลูกผักอ่าให้อาตมาไปขุดดินให้อาตมาบำนาญอาตมาเสียใจบอกว่าโอ้ทําไมกําลังได้อารมณ์นี้รู้สึกพอมัน ไ, มได้รู้สึกปุ๊บนี่อาตมาก็ก็เถียงไม่ได้เนาะบอกอะไรก็ทําใช่ไหมเราก็ไปทําแต่พอที่หลวงพ่อให้จอบขุดบอกว่าให้ทําตรงนี้ตรงนี้นะทําแปลงผักแล้วภูเขามันเป็นแบบนี้โยม ทำขั้นบันไดจากขุดตรงนี้ลงมาใส่ตรงนี้ลงตรงนี้มันเป็นแผน่นเป็นแผนชันชั้ น, น, น, นแล้วเอาแปลงผักไปปลูกเอาไปาไปลูกผักอาตมาก็จะไหนน้อยใจเนาะทําไมจะได้ปฏิบัติกำลังีดีเนอันนั้นพอพ อ, พอท่านบอกว่าให้ทําอย่างนั้นผมก็ไปทำอาตมาก็ไปทําพอไปทําเป็นโยมพอทำป๊บปัป๊บปัไปพอจักจบขึ้นจอบเนี่ยกระแทกดินปั๊บอึมันก็รู้สึกเนี่ย ไม่ต้องไปไม่ต้องไปชยกมือสร้างจังหวะก็ได้นี่คือความรู้สึกตัวกระแทกปุ๊บมือกระแทกปุ๊บรู้สึกจับแต่ละครั้งตักตักตักตักตักแต่แลักษณะขณะที่เราใช้แดงของเราตัวใช้แรงคือเจตนาแต่จิตมันรับรู้ที่จับจับกระแทกดินปั๊บกระเพื่อมถึงมือปั๊บรู้สึ ก, ก, c, ก c, รู้สึ ก, สกไปถอนหญ้าปุ๊บหญ้าบางตัวบางบางรากก็หนักจับมือสัมผัสหญ้ารู้สึก ดึงขึ้นรู้สึกหนักเบารู้สึกกับโอ้ผไม่ต้องเดินจมกอมทําแล้วก็สนุกทั้งวันไม่เกิดไม่เบื่อไม่น่ายทําอยู่นั้นได้ทั้งวันทําจนเนินภูเขาตรงนั้นแปลงผักทั้งหมดเลยขี้ๆเนินนั้น่ะเป็นแปลงผักแล้วรถตั้งตั้งแต่เช้าจนเย็นทาแล้วก็ไปทําวัดตั้งหลายครั้งอย่างเง้ยปุ๊บตอนช่วงนั้นมันยิ่งฟุ้งท้ายถ้าไปมาเดินจมกองมันฟุ้งคิดเรื่องความที่มันไปคิดเพราะอะไร เพราะเราอยู่ปัจจุบันจิตของเรามันอยู่กับปัจจุบันเกินไปปัจจุบันก็คือการกระทําของกายแบบซ้ําๆแต่ความรู้สึกมันไม่หลากหลายมากพอไปถอนหญ้ากตกน้ําลดน้ําผักน้ําถูกมือบ้างรู้สึกบิดอน้ําาทงกระแทกถึงมือเราก็รู้สึกมือเย็นมือร้อนอด้านกระเทะพอกระเด็นไปปิดน้ําน้ํากระเด็นถูกหน้าน้าก็รู้มันเป็นการรู้สึกตัวทั้งหมดในการใช้ชีวิตงานมันเข้าใจหรืว่าการทํางานคือชีวิตเนี่ยนะคือการปฏิบัติธรรม ไม่ได้แค่การอยู่ยกมูอและสร้างจังหวะมันอยู่ที่การกระทําของกายธรรมะคือทํางานทําใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนตลอดนอนทังนั้นมายมเข้าใจทุกเรื่องการแปรงฟันปากสัมผัสฟันเป็นยังไงฟนันสัมผัสมือเป็นยังไงาาแปรงสัมผัสฟันพอแปรงฟันถูกฟันน้ําเข้าปากเป็นยังไงพอไม่ใหม่ไม่มีอะไรมันก็มีน้ำออกมาพอมีน้ําออกมามันกลืนกินไหมมันก็บอกว่าทายที่ นี่ล้วนแต่ธรรมชาติที่มันเป็นสร้างสารรค์ให้เราทั้งนั้นเราก็แค่รู้ตามรู้ตามรู้ตามรู้ตามรู้ตามพอรู้ตามรู้ตามทําอย่างนี้มาประมาณสมเดือนสองตั้งแต่มกตั้งแต่มีนาจนถึงจนถึงสิงหาสิงหาวันที่สิอแต่มันกาจะมองทุกช่วงนั้นนะมันจะบองครูบาอาจารย์ต่ําไปหมดเลยมองใครก็เป็นโอ๊ยฉันเจ๋งฉันเจ๋งแต่มันไม่แสดงออก แต่ในใจลึกๆที่มันเห็นมีสภาวะนั้นนะมันมองข้ามนี่ตัวนี้มันจะทำให้เราหลงเพราะเราหลงอะไรเราหลงรู้ไงสติมันอ่อนสมาธิมันไม่ไม่ทันอาจจะมาเข้าใจทีหลังมันก็เลยไปหลงในสิ่สภาวะที่เกิดขึ้นมันเถียงมันไปมันไปพอไปอย่างนั้นปุ๊บวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไปทำเจ็ดวันล้วไปไปอยู่ที่ตอนนั้นหลวงพ่อไป ที่บนดบเนินคอระยอไปทำเจ็ดวันตอนแรกอดมาก็เดินเพราะว่าเดินค้อมันก็มีหญิงมีดินใช่ไหมมันก็ถูกจากสัดสัดมาไงอดมาก็ดินบ้างแข็งบ้างทําไปทําไปมันสองคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เห็นใจคิดอ้าวมันเหมือนกับในใจของเราเนี่ยมันเหมือนสารเล็กๆอยู่ในใจเรื่องเกา่าๆอะไรเกิดขึ้นมาถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่มีสารแต่ผู้ตัดสินคือใจคือความรู้สึกตัวเนี้ย ไอ้ตัวหนึ่งมันบอกอย่างนี้ถูกวันนี้ไม่ถูกมันเห็นไปเห็นไปเห็นไปพวกกายใจเบาอย่างมากโดยที่ว่าเดินไปในตัวเบาวิวตลอดทั้งเ็ดวันแต่วันที่จะวันที่เจ็ดตอนเย็นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรก่อนวันวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่วันที่จะหยุดเนี่ยเดินชมกลมเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยวันนั้นตั้งแต่เช้าเลยพอนั่งพวเนี่ยมีพึ่งเป็นมีพึ่ ง, งบินเข้ามาเจาะในตัวในตน เราเข้ามาจกาะเข้ามาในตัวเราก็เห็นบางครั้งมันก็กัดบ้างไม่กัดบ้างกัดมันกัดปุ๊บแต่มันไม่ต่อยนะบินเกอะตัวเราเป็นเป็นสิบ20ี่สิแต่เปลี่ยนันไปเรื่กันมาจนยันยันเที่ยงมันมากาะแต่ที่ละคเราก็ปัดไปวันาเราก็เฉยอยู่กับมันดูมันนั้นมันจะทําเราไหมมันไม่ทํามันอยู่ที่จิตระยะของจิตเราถ้าจะไปใส่มันเราไม่เฉยเราก็ไม่ไปกับมันเราก็ดูรู้มันก็บินออกบินเข้าบินออกบินเข้าอยู่นั้น มันเห็นโยมอาจมาก็เดินไปใส่โยมโยมก็กลัวก็วิ่งเพราะมันมาก่อตามอาตมาไงอาตมาก็ไม่รู้หรอกพอตอนหลังจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเย็นอาบน้ำทำวัดจะทําวัดเสร็จอาตมาจะนอนพอทาวัดเสร็จอะไรธุระเสร็จประมาณสามทุมอาตมาก็ไปนอนปกติอาตมาจะดมพอนอนปุ๊บเนี่ยอาตมาจะดมปล่อยให้ใจสบายสบา ย, บายผ่อนคลายแค่รู้ตามลมเข้าออก เข้าออกสองนาทีสองสามครั้งหลับละแต่วันนั้นกลับไม่ออกกลับไม่หลับกลับตื่นรู้สึกว่ามันตื่นอย่างงนพิพิเศษตื่นจากธรรมชาติเลยตื่นรู้สึกกินมันตื่นขึ้นตื่นขึ้นหรมันไปสัมผัสแล้วมันเอียงจากขามาเนี่ยขาขึ้นมาเรื่อยๆจากเท้ามาหัวมาหัวมาหัวมาหาตัวมาตัวปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาตรงหัวปั๊บเนี่ยมันถึงตรงหัวปุ๊บนี่ ปึ่งนี่คืออะไรรูเหมือนฟ้านแลบที่สว่างในสมองเราเนี่ยจากมืดมืดมันโล่งเหมือนฟ้าผ่าเลยมองไปในสมองเนี่ยมันโล่งไปหมดเลยแต่ขณะอุทานเกิดขึ้นว่ามันบอกว่าอะไรโพธิภาวะที่มันถ้าฟ้าร้องมันจะเปี้ยงใช่ไหมแต่เมืา่มาโพธิโพธิปึ่งขึ้นมาคือมันได้ยินในประสาทสมองเราเนี่ยคือโพธิ โพธิเราไม่รู้เลยว่าโพธิคืออะไรเรามาถามครูบาอาจารย์เอ๊ตอนนั้นพออย่างนี้ปุ๊บมันโล่งมันเบากายเบาใจภาวะนั้นเกิดขึ้นเห็นเบากายเบาใจตอนนั้นมันเป็นภาวะตัวภาวะนั้นะมันเบากายเบาใจเมื่อการเบาใจเบาใจเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจมัก็กําหนดลมหายใจเข้าออกดูเพื่อใจหลับแต่มันกลับไม่หลับประมาณสักคือสี่ทุ่ม หลวงพ่อก็นอนแล้วนะจำไว้แล้วนะไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ลุกออกจากที่นอนไปหาหลวงพ่อเลยผลงพ่อหลวงพ่อผมเป็นยังไงไม่รู้ผมเป็นแบบนี้เป็นนี้มันนอนไม่หลับมันโล่งมันปร่งมันสบายไปหมดเลยมันไม่รู้แบบมันสบายมันเป็ลวงพ่ออุ้ยหมกงพ่อปนล้างนี่หลวงพ่อเนี่ะเอานวดหลวงพ่อหน่อยเพราะว่าอาตมาอาตมาโกยนวดนวดนวดนวดไปนวดมานวดไปท่านก็ชวนขุยนู่นขุยนี่ แต่เรารู้อยู่แต่ว่าใจมันไม่ไปหรอกมันความโปง่งมันโลง่งมันสบายอยู่เราก็นวดไปอยู่กับรูปบ้างเลยแต่มันก็ชัดเจนมันเป็นหลวงพ่อก็ให้อุบายไปนวดไปอะไรสองประมาณเกือบสองชั่วโมงเรารู้ว่าเออเรารู้สึกว่ามันผ่านคายได้บ้างอภาวัานนี้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าความตกใจความตื่นใจของเราเนี่ยหายไปท่านก็บอกเอาละไปจําวัดได้คนระับแต่ทั้งคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยกลับมาบ้านก็ยังไม่หลับ ไปทำอะไรมันก็ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่ น, น, น, น, น, นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันแล้วตั้งแต่นั้นมาโยมมันจะมีภาวะอารมณ์ตรงนั้นเป็นคือมันเห็นกายกับใจร่วมเข้ากันแยกอันนี้ออกเข้าบางทีเป็นมันเป็นอารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยขวากอดปุ๊บเนี่โอ้ใจมันก็ร่วมหมดโอ้บางครั้งไม่โกรธไอ้ว่ากายมันก็อีกส่วนหนึงมันก็ไม่ได้ยัยงยังไม่แยกนะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น เราจะเข้าใจอารมณ์มันเจตสนุปบางครั้งดีใจเสียใจดีใจอะไรมันปรากฏขึ้นอันนี้บวชได้ยังไม่ได้มันสานะบทนั้นก็กลับมาหลวงพ่ออย่างปีนั้นปีสี่กอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นพ่อมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอ๋อมันเป็นอะไรแต่อารมณ์เหล่าเนี้ยเราจะเห็นภาวะเหละ่านี้มันจะวุ่นวายของกายของใจมากเพราะมาทีหลังเราเข้าใจว่าอ๋อเรามีสาภาวะเห็นกายเห็นใจของเรามันเป็นแบบนี้มันทําให้ มันแบบเราสติเราไม่พอเราก็ไปเป็นบ้างร่วมบ้างไม่ร่วมบ้างเห็นอาการทางจิตทางใจไม่เป็นแบบนั้นอ๋อพอเป็นอย่างนี้นปุ๊บเราก็ปฏิบัติช่วงนี้โยมใช้เวลามากที่สุดพอมาเราเร า, เร า, เราที่หลังมาว่าภาวะนี่บอกเขาเดี๋ยวว่าอารมณ์ของลูกอารมณ์ของนามอารมณ์ลูกอารมณ์น้ำแต่มันรวมกันมันไม่ได้แยกเป็นลูกเป็นน้ำมันไม่ได้แยก คือรูปกับนามมันนี่คือภาวะของรูปนามอารมณ์ของรูปนามเรียนรู้ในตัวไปเองไหมนะมันก็บอกบ้างสอนบ้างตัวมันเองเรียนรู้ตัวมันเองหน้าที่ของเราแค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆสติมันมีมากเราก็เพินเทศบ้างอะไรบ้างสอนตัวเองบ้างพูดกับคนอื่นบ้างเพราะมันไม่มีที่ระบายทั้งมีตัวรู้ตัวนี้ทั้งมีสมองเกิดขึ้นทั้งในสมองมันปรากฏขึ้นรู้กายรู้ใจชัดอะไรรูกอย่างมันเห็น อันนี้ฟังแบบไม่อวดดีนะครับผมคือผู้ประสบความสของผมเองอันนี้ไม่ได้ให้อันนั้นไม่ฟังนะ ค, คือไม่เอาผิดเอาถูกกับมันนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาพอเป็นอย่างนั้นเสร็จอัตมาเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรู้รู้ ร, รู้อย่างงั้นเสร็จมันก็เห็นรูปเห็นนาต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นภนาะวะเนี้ยอัตามาใช้เวลาห้าปีนะยม แต่ตอนพันษาหนึ่งพันษาสองมันเริ่มแยกรูปแต่เราเราไม่เข้าใจมันมันก็มีรูปบ้างบางทีมันก็เห็นรูปอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งใจอีกตัวรู้อีกตัวหนึ่งก็คนละอันกันอยู่เรื่อยๆภาวะเหล่าเนี้ยแปรปวนมากกว่าจะเข้าใจกว่าจะเรียนรู้มันมากเนี่ยเป็นสีห้าปีแต่พอสัมผัสง่ายแต่เวลาที่เราจะเรียนรู้สภาวะเหล่าเนี้ยเห็นใจเห็นกายมันแยกออกจากกันได้เนี่ย ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเราหนึ่งความเพียรด้วยถ้าความเพียรไม่พอสติไม่แหลมพอกําลังสติกําลังสติไม่พรมพมพอเนี่ยจะแยกรูปแบบนามไม่ได้จะเข้าไปเป็นผู้เป็นอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยช่วงเป็นอารมณ์รูปนามเนี่ยทุกอย่าง เ, เหมือนเราอยู่แกนโลกคนเดียวเลยโยมทำเหมือนเราไปยืนอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกต่เราอยู่อยู่แล้วก็มีลมมีพัดมีอะไร มืนมันต้องไม้ที่สูงๆเดียมีโดนแดดโดนดมโดนหนูโดนเด็ดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์พวกนั้นก็คือเป็นไอพวกหนูพวกนูนกนะ่นคืออะไรพอมาเข้าใจไหมเสื้อตัวนี้ก็เป็นเกิดให้เกิดอารมณ์ได้ผ้าของกันมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันดูสวยเกิดอันพอใจอ่ะแค่ผพาคนเดียวนะถ้ามีเด็กหรือว่าใครมาเอาไฟมาจุดเกิดความไม่พอใจแล้อ่ะของชิ้นเดียวเนี่ยสามารถทําให้เราแปลปวนกับอารมณ์เหล่านั้นหมด เราไม่รู้เท่าทันใจเพราะว่าสภาวะมันเป็นแบบนั้นตัวมันเองจะสอนตัวมันเองเรียนรู้ในตัวมันเองไม่ใช่เราแต่เราไปเรียนรู้ตามสิ่งที่มันเป็นที่มันมีมันเห็นไปโอ้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นก็นะ่อ่ะเดี๋ยวภาพคนนี้มันเพื่อนมันเลือกมันก็เกิดความไม่พอใจเองมันแต่ถ้าเราทําของเรามันกับความพอใจความโกรธก็น้อยลงแต่ถ้าคนอื่นมาทําหรือ คนอื่นเป็นลูกศิษย์ลูกหามาทำมันกับโกรธน้อยน้อยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่พอใจมาทําของเราอารมณ์แตกต่างกันเลยแค่ภาพพื้นเดียวเนี่ยของเราแค่พื้นเดียวเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราชอบได้เสียใจได้พอใจได้ยินดีได้โอ้โหเนี่ยมันเป็นอารมณ์ลูกหนานใจมันไปร่วมมันเป็นอย่างนี้แล้วอาการตัว น, นี้โยมกว่ามันที่จะมันจะแยกสาภาวะเหล่านี้ออกจากจิตใจกันได้ ต้องเล่งความเพียนถ้าเราไปเพลินคิดเพลินนึกหาแต่คําพูดไปเพลินกับความที่มันปรากฏขึ้นแก่จิตรเรานะี่มันช้ามากแถ้าเราเน้นกับมาอยู่กับความรู้สึกรู้สึกรู้สึกแค่รับรู้ความรู้สึกตามความเป็นจริงของมันแล้วมันก็จะมีก่อนหน้านั้นพวกมันจะเห็นความคิดรู้ความคิดเข้าใจความคิดแยกอาการของกายเกิดขึ้นทั้งหมดลูกดินน้ําไฟลมแสดงธาตุให้หมดธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟเห็นแสดงผลให้หมด ถ้าเสมอกันเป็นยังไงท่านสมดุลเกิดความสบายลมมากเกินไปอึดอัดขัดเครื่องอ่ะไปนอกลงไปรุ่นเล่าภาวะของกายเนี่ยแปรปวนถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไปหาหมอไปตรวจหมอคุณจะไม่มีโรคแต่เราเห็นเราเป็นโรคอาการของกายเกิดขึ้นอย่างนี้ไปหาหมอกี่ครั้งกี่ครั้งไปเอ็กซเรย์ไปเข้าอุโมงอ์ไหมมันไม่มีไม่เห็นโรค แต่อาการของโรคเป็นหน้าเป็นจะเป็นจะตายอันี้พอว่าเข้าใจอ๋อธาตุมันมันสะดุดด้วยธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําถ้าธาตุไม่สมดุลนี่ร่างกายของเรานี่ยธาตุมันต้องสมดุลธาตุไม่สมดุลเมื่อไหร่ก็เกิดทันทีเป็นผิดปกติธรรมชาติของกายเจ็บปวดแนละ้วเห็นเราเรียนรู้ในกายเห็นกายเห็นสภา ว, ว่าเราเห็เห็นเป็นอย่างนี้พออย่างนั้นสิพุกอันดับอ่นหน้าขบวนการอ่าอนหนมันก็เห็นกระบวนการของมันไปพอหลังจากนั้นปุ๊บ เข้าใจอย่างนี้อย่าง แ, แจ้งเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปเห็นอาการของลูกอาการของนามนามกับลูกคนละเรื่องคนละส่วนตัวผู้ดูเห็นตามความเป็นจริงของนั้นเกิดขึ้นถ้าภาวะนี้กาลังปรากฏขึ้นอยู่มีอยู่เป็นอยู่เกิดจากกายเข้าสู่จิตจิตเข้าสู่กายเริ่มทันมากขึ้นเริ่มเห็นความแยกแยะออกจากกายกันต้องสติต้องความรู้สึกตัวทกพร้อมต้องชัด ไม่ชัดแบบเพ่งจ้องให้มันเรียนรู้ธรรมชาติในตัวมันเองจิตแค่จิตรู้เห็นตามทวารที่มันกลัง้งอยู่นั่นเองนั่นแหละพอจากนี้ปุ๊บเนี่พอรูปนามเกิดขึ้นนะโยมภาวะสภาวะของรูปของน้ำเกิดขึ้นแล้วมันจะสบายความรู้สึกนี่กายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้มันจะไปพร้อมกันทั้งหมดตั้งแต่ตื่นนอนจำรัดนอนเราไม่ได้ว่าไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีเลยว่าจะ ไม่รู้ตัวพอรู้กายเห็นกายชัดเจนก็เห็นจิตเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของจิตพอการกายเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ประดับไปมันเป็นกลไกของธรรมชาติแค่สติไปรับรู้เห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เราแค่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นไม่เข้าไปผู้เป็นอยู่กลางห่างมันเป็นไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเรา คือมารู้สึกตัวตามดูรู้สึกมันกลับมาอยู่กับตัวนี้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นอยู่อยู่ตั้งอยู่เกิดภาวะที่มันเกิดขึ้นท้งกายเห็นบ้างทางใจบ้างเกิดขึ้นบ้างมีบ้างทุกบ้างสุขบ้างมันเป็นธรรมชาติของมันเราเข้าใจแล้วสุดท้ายเราเข้าใจตัวเองเอาชนะตัวเองละตัวเองเลิกตัวเองชำับแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ความพอใจเกิดขึ้นทำละความดีใจเกิดขึ้นก็ทำละจนกว่ามันไม่มีอะไรในใจของเรานั้นแหละคือความอิสระคืออิสระจากความคิดปรุงแต่งความพอใจแนละไม่พอใจใจของเราจะเป็นปกติความปกติเกิดขึ้นในใจมันไม่ไปทำอะไรมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวมันเองก็ไม่ไม่เบียดเบียนตัวมันเองแค่รู้แค่เห็นแค่อาศัยแค่ะระลึกในสิ่งที่เป็นอยู่ แค่นั้นเองวันนี้อาตมาก็โพูดมากไปนิดนึงเนาะอาจจะเป็นอาจจะมีประโยชน์สำหรับญาติโยมบ้างคือผููประสบการณ์โพูดมากไปนิดนึงแต่มันก็มันเป็นแบบเนี้เราก็ไม่รู้ทําไงเราไม่ได้คิดมาก่อนมันเป็นของมันก็พูดไปตามสิ่งที่เป็นที่นี้ไม่ใช่ว่าเราถึงที่สุดนะมันยังมีความโกรธบ้างรู้พอใจบ้างเสียใจบ้าง แต่ใจของเรามีที่อยู่คือความปกติคือสบายโร่งโปรเบาสบายเบากายเบาใจเนาะวันนี้อาจามาก็ถ้าญาติโยมตั้งใจใส่ใจวางใจคือพยายามวางใจหาความเป็นกลางของจิตให้ได้ความเป็นกลางของจิตก็คือความพอดีของแต่ละคนเข้าใจถูกต้องอย่างหลวงพ่อว่าอะไรนะตั้งจริงจังตั้งใจถูกต้องต่อเนื่อง าจะบอกว่าถูกต้องจริงใจคือตั้งใจถ้าถูกต้องแล้วตั้งใจคือให้ถูกต้องก่อนเข้าใจที่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยจะมีพวกนี้ตามถ้าไม่เข้าใจไม่ถูกต้องแล้วจิตนโยมถ้าเราฝึกมันดีมันก็ดีถ้าฝึกมันไม่ดีถ้ามันเริ่มต้นยังไงแล้วออกยากมากถ้ามันคุ้นเคยอะไรแต่ละอย่างแล้วเนี่ยยากที่มันจะถอนตัวตรงนี้ออกได้ เพราะมันเป็นสภาวะที่ยากมากถ้าข้อสําคัญคือให้เข้าใจถูกต้องตรงป้องตรงประเด็นคือสมารถทิฏฐิตรงเนี้เขาต้องเข้าใจถูกก่อนการเจริญสติยังไงการวางใจยังไงการเข้าไปรับรู้ความรู้สึกตัวยังไงที่ถูกต้องอย่าไปชะมั่นใจตัวเองว่าตัวเองนี้คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเหมือนเราพวกคนบอกว่ามารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเข่าใจไหม ความรู้สึกตัวตรงนั้นอยู่ไหนเหมือนเราจับช้างทั้งตัวคําว่ารู้สึกตัวคนบางจับหางบ้างจับหัวบ้างแต่ความรู้สึกตัวที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือรู้สึกตัวแบบของพ่อเทียนตัวไหนคือรู้สึกซื่อตัวเนี้ยรู้สึกธรรมชาติที่มันปรากฏคือรู้สึกซื่อตัวเนี้ยเรารูได้อย่างไรนะอันนี้เราต้องถามผู้รู้ความเข้าใจจะไปเชื่อว่านตัวเองนะก็อาตมาคิดว่าสายของพระหลวงพ่อเทียนเราก อาจจผิดลาดจุดนี้เยอะเพราะชอบใจสั่งกายพายายามกาหนดรู้ใจใจสั่งกายรู้ไปสั่งสิ่งที่ทําแต่อรรมาธรรมของพระมารคือรับรู้แล้วรู้สึกตามแค่เอาใจตามดูกายเป็นตามความเป็นจริงของมันมันก็จะปล่งโล่งเบสบายอขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญให้ทำให้เห็นดวงตาเห็นธรรมทุกๆุกคนทุกขั้นเธอ